แต่ทีนี้ถ้าเรียนครบวงจรนะก็เบาหน่อยนะแรกๆก็ไม่รู้อะไรไหนไปไขกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ขันไปขันมาแล้วยุ่งไปหมดเลยมันถ้าถ้าไม่คิดอะไรให้มากนะจำให้ได้ว่าโลผาแปดหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดจำได้ก็ถือว่าพอใจละอธิบายมาเยอะแยะนะจำได้เท่านั้นก็ดีละแต่ครูมีเวลาวันจำได้อยู่แล้วก็เลยเฉยๆท่องได้นานแล้วนะ ต่อไปโทมานัตเลยนะโทมานัตว่าใจที่ชั่วชื่อว่าทุมมนะอีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าทุมมนะเพราะอัฐามีใจชั่วทุ่นี่แปลว่าชั่วนะถ้าสุนี่แปลว่าดีนะสมานะก็ใจดีใช่ไหมทุมมนะก็ใจชั่วภาวะแห่งใจชั่วหรือบุคคลที่มีใจชั่วนั้นชื่อว่าโทมานัตบางทีก็บอกว่าภาวะแห่งใจนี่มันป่วยเพราะงั้นไอท้ทุตัวนั้นเนี่ยบางทีแปลว่าป่วยเช่นว่าภาวะความป่วยทางจิตเนี่ยนะ ความไข่ทางจิตอะนะทีชื่อว่าโทมานะอย่างเงี้ยเนเอาชั่วเอาป่วยในชอบอไหนแต่มันอันเดียวกันไหมป่วยดีกว่าอ๋อป่วยนี่ฟังฟังดีใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยตรงสภาวะมากนักคำว่าโทมนัสนี้เป็นชื่อของทุกขเวทนาที่มีในใจจิตที่สหรคต ด, ด้วยโทมนัตนั้นชื่อว่าโทมนัสสหคตาจิต คือจิตที่มีเอกุปปาทะคือเกิดพร้อมกับโทมนัตเวทนานี่นนะมีอารมณ์เดียวกันกับโทมนัตเวทนาอาศัยวัตถุเดียวกันกับโทมนัตเวทนาแล้วก็ดับพร้อมกันกับโทมนัตเวทนาจิตนั้นชื่อว่าโทมานัสสหาคตจิตเนี่ย น, นะเราได้ภาษาบาลีไปเยอะนะคุณเฉลิมเนาะฟังภาษาต่างประเทศเยอะ แล้วฟังไปนาะนๆอู้สับเหล่านี้สบายมากไม่เห็นยากอะไรเลยเพราะมีศัพท์ที่ยากกว่านี้นะที่เชื่อว่าปฏิฆะเพราะอาธรรมว่ากระทบโดยทั่วไปบางทีแปลว่าขัดเนี่ยนะขัดเครื่องอะนะปฏิฆะเนี่ยกระทบในอารมณ์ได้แก่โทสะปฏิฆะก็ขัดข้องหมองใจพวก น, นี้จริงอยู่โทสะนี้ย่อมเป็นไปดุดกระทบกระทั่งอารมณ์เพราะมีความดุร้ายเป็นสภาวะของตน นะภาษาเหนือเขาว่าไงดุร้ายคุณละมันดุมากเลยนะคนนี้ดุมากนะสวกเลยได้ยินท่านภัสิทธ์ว่าสวกมันมันโทสะเนี่ยนะมันกระทบกระทั่งเพราะมันมันดุมากนะลักษณะนั้นนะจิตที่มันดุนะแม้เมื่อจิตสหรคตด้วยโทมานัสไม่ต่างกันด้วยอำนาจเวทนาเพื่อเข้าไปกำหนดจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมะจึงกล่าวว่าโทมนัสสาสาตาสั์ไว <c oughs> อตัวเวทนาเนี่ยนะในโทสะมูลจิตนี้ไม่มีแตกประเภทอะไรไปเลยนะมีอยู่อย่างเดียวคือโทมนัตแต่เพิ่งเห็นว่าความที่จิตสัมปยุทธ์ด้วยปฏิฆะท่านกล่าวเพื่อแสดงความที่จิตทั้งสองนั้นเป็นไปร่วมกันโดยแท้ถ้ากล่าวถึงความแตกต่างนะว่าโลภะนี้เอาทิฏฐิมาเป็นสัมปยุตธรรม ถ้าโทสะนี่เอาปฏิฆะมาเป็นสัมปยุต ธ, ธรรมถ้าโมหะเอาอุทะจักกับวิจิกิจฉาเป็นสัมปยุต ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นสัมปยุต ธ, ธรรมเหล่านี้เป็นตัวแบ่งให้รู้ว่าจิตนั้นเป็นจิตดวงไหนไหนกันถ้าโลภนะน่เอาทิฏฐินะโทสะเอาปฏิฆะโมหะเอาอุทะจักและอวิชชาเป็นเป็นตัววิจิกิจฉานะเป็นตัวแยกให้เห็นเด่นชัด ในจิตดวงนี้นะเอาเอาปฏิฆะนะมาตั้งชื่อนะนะเอาตัวปฏิฆะมาเป็นตัวตั้งชื่อนะว่าปฏิฆะจิตนะนะไม่ได้เอาโทมนัตจิตมาตั้งแต่เน้นตั้งที่ปฏิฆะจิต ท, ทีนี้ถามว่าไอ้โทมนัตกับปฏิฆะนี่มันต่างกันยังไงเนี่ยนะแปล ก, กันอย่างนี้คือโทมนัตกับปฏิฆะนี่ต่างกันว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นเวทนาขันมีการสวย อ, อนิถารมเป็นลักษณะเอ่อ ธรรมะอย่างหนึ่งนี้เป็นสังขารขันมีสภาพหรือความดูร้ายเป็นสภาพเนี่ยนะก็แลบดิดิพิึงเห็นนะในโทมนัสและปฏิฆะเหล่านั้นอ น, นิถารณมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาคาตะวัตถุเ ก, ก้าเป็นเหตุแห่งโทมนัสเออโทมนัสและเหตุแห่งปฏิฆะอันหนึ่ง พึงทราบความเกิดขึ้นแห่งโทสะมูลจิตสองดวงนี้ในเวลาที่ความไปกล้าและอ่อนในอกุศลกรรมบทมีปานาติบาตเป็นต้นคือโทสะนี่นะถ้ามันมีกําลังมากก็ทําปานาติบาตถ้าไม่มีกําลังก็ไม่ล่วงปานาติบาตบัณฑิตพึงเห็นอัดแห่งปิสัพแม่ในคาถาสรุปโดยทํานองตามนัยยะที่กล่าวแล้วอันนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะ ทัขที่มุมนี้รี่ว่าเวทนาใช่ไหมองค์รเวทนาใช่ไหมตัวตัวเองนตัวปฏิฆานี่องค์ธรรมองค์ธรรมอะไรครับสิบลุงสัมผาสโมสะเจ็สิบ อันนี้กล่าวถึงโทมนัปตัวนี้นะโทมนัปนี้โดยขันเป็นเวทนาขันโดยอารมณะนะ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเหนะหรือสภาพของโทมานะโทมาัตัวนี้ก็อะไรใจชั่วใช่ไหมความใจชั่วหรือความป่วยทางจิตเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เป็นเวทนาขันรับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาส่วนปฏิฆา น, น เป็นโทสะเจตสิกซึ่งนับเนื่องในสังขารขันเหตุของโทสะหรือปฏิฆาอันนี้มาจากอาคาตะวัตถุเก่าว่าเช่นคนนู้นเคยทําความเสียหายให้แก่เราคนนู้นกําลังทําความเสียเสียหายให้แก่เราคนนู้นจะทําความเสียหายให้แก่เราคนนู้นเคยทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารักคนนู้นเคยกําลังทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารักคนนู้นจะทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารัก หรือว่าคนโน้นเคยส่งเสริมสนับสนุนศัตรูเราเนี่ยนะคนโน้นกำลังส่งเสริมศัตรูหรือว่าคนโน้นจักช่วยศัตรูเนี่ยนะอย่างหนึ่งบางทีก็มีสิบด้วยว่าโกรธในฐานะที่ไม่สมควรคือไปรับอนิถารมฟ้าผ่าเปรี้ยงก็ตกใจอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็ไม่สมควรก็ยังโทสะนะก็แยกแยกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยของเวทนาขันตรงนี้เน้นมาที่อนิถารม ปัจจัยของสังขารขันเน้นอาคาตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตหรือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกโกรธโทมนัตกับปฏิฆานี้เป็นสัมพยุตคือเกิดร่วมกันเกิดด้วยกันมีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุเดียวกันหมดเล ย, ยนะแต่ว่าอยู่คนละขันกันันนะผู้ศึกษาใหม่ๆนะสับสนมากตรงนี้ติดไปคิดมาก็งงันหมดเลย ดังๆแล้วนะเอาวิจิตรชัยอีกหน่อยนะเอ่อเพิ่มปีสับเน้นอีกตรงนี้นึงว่าปีสับนี้ก็คือเอากาลเทศะ ส, สันดานและอารมณ์เป็นต้นมาประกอบด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของโทสารนะเอาการสถานที่บุคคลหรืออารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาประกอบด้วยนะจากปีสับมา ส่วนธรรมชาติชื่อว่าวิจิกิจฉาเพราะอัตถาว่าเป็นเหตุให้บุคคลตัดสินสภาวะธรรมยากคือลำบากนี้โมหมูลจิตนั้วนะเชื่อว่าวิจิกิจฉาเพราะอัตถาว่าธรรมชาตินี้หมดการเยียวยาคือหมดหนทางแก้ไขด้วยโลกิ ย, ยานเพราะยากที่จะกระทำนะจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยวิจิกิจฉานั้นชื่อว่าวิจิกิจฉาสัมปยุตคนที่สงสัยนี่นะยากที่จะแก้ไขเหมือนกันนะี่ คนที่สงสัยเนี่ยโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วนะคือคือเอ็นไปทางไม่ดีมากกว่าเชื่อเนี่ยนะมากกว่าจะมีศรัทธานะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ายากที่จะเยียวยาหรือหมดการเยียวยาวางานแตเนี่ยนะนะนะเพราะคนที่แปลเป็นอื่นสมมติว่าอย่าง เ, าเลิกปฏิบัติธรรมเลิกศึกษาคาสอนส่วนหนึ่งก็คือเกิดสงสัยขึ้น พอสงสัยขึ้นสงสัยไ อ, ไอความสงสัยอันนี้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอื่นไปเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เยียวยายากเหมือนกันหรือหมดการเยียวยาหาทางแก้ไขไม่ได้ไม่รู้จะใช้ปัญญาอะไรไปแก้ไขให้คนที่ขี้สงสัยเนี่ยนะสงสัยแบบสงสัยแบบไม่อยากจะเชื่ออยู่แล้วนะถ้าสงสัยแบบน้อมจะเชื่อก็ค่อยอยังชั่วหน่อยนะแต่คนขี้สงสัยก็คือสงสัยเพื่อที่จะไม่เชื่ออยู่แล้วโอนที่จะไม่เชื่ออยู่แล้วอันนะั้นมันก็เยียวยายากหมดทางแก้ไข อสาธุเลาวั น, วนนะี้แจ๋วแล้วนะตรงนี้ต่อไปนะภาวะแห่งจิตภาวะแห่งจิตหรือว่าแห่งบุคคลที่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอุทะจะนี่นะคือพูดถึงถ้าว่าโดยจิตอะนะสภาวะที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านนั่นแหละ แม้เมื่ออุทจจะเป็นเจตสิกทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้งปวงอุทจจะในจิตนี้ย่อมเป็นประธานในสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตนี้ท่านอาจารย์จึงกล่าวให้แปลกออกไปด้วยอุทจจะนั้นก็เพราะธทรรมอธิบายอย่างนี้ในบาลีแห่งธรรมุเทศพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอุทจจะไว้ในอกุศลที่เหลือด้วยอํานาจเยวาปนากาธรรมส่วนในอุทจจะในจิตดวงที่สุดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงอุทจจะในรูปของตนเท่านั้นย่อมเกิดขึ้น ที่จริงแล้วนะในอกุศลจิตสิอเนี่ยอุทจจะเกิดกับทุกจิตเลยแต่ว่าโลภะเนี่ยมีทิฏฐิเป็นพี่ชายใหญ่เลยนะแล้วก็มีโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นเหตุด้วยเพราะฉะนั้นไอ้อุทจจะก็เลยไม่มีบทบาทเนีย่ยนะไม่มีบทบาทแต่อยู่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน น, นะแต่พอสิน้นทิฏฐิสิ้นโลภะเหตุก็โทสะเข้ามาบางแล้วโทสะก็เป็นใหญ่โมหะก็เป็นใหญ่อีก นั้นอุทะจาก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เวลาไม่ได้เกทีนี้พอโมหะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าวิจิกิจฉาเกิดอุทะจาก็ไม่เกิดแต่พอพวกนั้นหมดนะเขาเป็นใหญ่เลยนะก็หมายว่เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งอะนะคนที่เป็นประธานเป็นหัวหน้าเช่นพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่อยู่ไอ้ปัญญาอ่อนอยู่คนเดียวเฝ้าบ้านเนี่ยนะก็เลยคนนี้เลยเป็นใหญ่ขึ้นมาเลยนะลักษณะนั้นนะ ดวงนี้นะก็ากมีคนปัญญาอ่อนเฝ้าบ้านอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ฟงด้วยไม่ฉลาดด้วยนะถ้าจิตอันนี้เกิดมากๆน้ำลายไหล ย, ยืดแนะ่นเ <c oughs> น, นี่ยนะไม่มาไม่ <c oughs> <c oughs> พร้อมกันไม่ได้ท <c oughs> <c oughs> ีละคนก็พอแล้ว เขาดีหรือไม่ดีคะเคยเขาจะมีคนคอยถามแบบคุณมิราวันหนึ่งคนกลางคืนก็จะมีหนึ่งคนมาคอยถามแบบนี้นะทีวีเขายังหมุนอ่ะเอาวันเสาร์มาเป็นกลางคืนแล้วก็ลองเอาเรื่องให้มันง่ายๆหน่อยทำได้หน่อยแค่นี้พอละต่อไปนี่งว่า ก็แนาที่การนี้แสดงอุทจจะโดยรูปของตนนี้มีคาถาย่อไว้ว่าถึงแม้อุทจจะจะประกอบในอกุศนลจิตทุกดวงแต่ก็ไม่มีกําลังในจิตดวงสุดท้ายขอแต่ก็มีกําลังในจิตดวงสุดท้ายเพราะเหตุนั้นจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละท่านอาจารย์กล่าวว่าอุทจจะสัมปยุทธเพราะประกอบด้วยอุทจจะ เพราะเหตุนั้นนั่นแหละอุธจะนั้นพระจอมมุนีจึงตรัสไว้ในอากุศลที่เหลือโดยชื่อว่าเยวาปนากะแล้วแสดงโดยรูปของตนแห่งจิตดวงสุดท้ายนี่แหละ <c oughs> เยวาปนากะนี้แปลว่ า, วาทั่วไปนะขนียนัยยะที่เยวาปนะตัดสมิงสมเยอันเยปีอธิปฏิจจะสมุปปนารูปิโนธรมมธรมเมธมาหรือทำเหล่าใดที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะ แต่ก็ชื่อว่ามีอยู่นะคือคือไม่ได้พูดถึงในตอนตรงตอนนี้คือในในธรรมสังคีนีในธรรมมุทเทศเนะยใครใครเอามาเอามาบ้างในในดวงที่หนึ่งที่แจกไปแล้วนะ้องเปิดดูนะ <c oughs> เปิดดูบันทัด ที่สองจากสุดท้ายขึ้นมาก่อนว่าเยวาปณะตัสมมงสมัยเยอันเยปิอัติปติจะสมุปนารูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุศลานเนี่ยนะทีนี้ท่านนับขึ้นไปนะสองบรรทัดอีกเหมือนเดิมนะจากข้างข้างตรงกลางเลยนะที่ว่าหรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดนะก็คือคำว่าแม้อื่นใดอีกนะที่ที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้มีอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยนะ ก็คืออธิบายว่าแม้อื่นใดนั่นแหละจนั้นในที่ที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ยกมาพูดเนี่ยนะคืออย่างอันนะในในโลภะดวงที่หนึ่งเนี่ยมีสั์ว่าอุทจจะอยู่ไหม <c oughs> นะดูนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอินซีไม่มีอุทจจะอยู่เลย แต่ไม่ใช่ว่าโลภะดวงที่หนึ่งไม่มีอุทจฉะมีอยู่แม้คำว่านามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นน่ะนะถ้าอยู่อยู่ตรงนั้ น, นแต่พอมาอุทจฉะจิตเนี่ยยกอุทธจฉะขึ้นมาเลยจะแตกต่างกั น, นส่วนจิตที่เหลือนี่อยู่ในเย ว, วาปนกนันในแบบนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมในบาลีพุทธพจน์ไม่เห็นมีอุทจฉะเลยเดี๋ยวเกิดสงสัยขึ้นน่ะนะ แต่จริงๆก็มีเน่นะแต่ว่าอยู่ในบอกว่ารรทำที่นามธรรมที่เองอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดะนะอยู่ตรงนั้นแม้อื่นใดะนะที่ไม่ได้พูดถึงเช่นอย่างกลุ่มอะไรนะกลุ่มอัปปมัญญาเจตสิกกลุ่มวิรตีเจตสิกกลุ่มนี้จะอยู่ในเยวาปนกนยัยนี่ยนะ ว่าถ้าพูดถึงว่าเมื่ออาหารเมื่อรูปนะเมื่ออาหารเกิดก็หมายความว่าต้องรู้เลยว่ามันมีอยู่แล้วในนั้นตามสมควรใช่ไหมก็ต้องมีอยู่แล้วตามสมควรตามสมควรเกิที่ที่ไม่ได้พูดถึงอ่ะนะในนั้นอ่ะมีแต่ว่าไม่พูดถึงเนี่ยนะก็พูดถึงตัวเด่นๆในนั้นอ่ะนะพอให้กําหนดได้พอให้รู้ชัดนทำไมไ กถ้าทำโดยสิ้นเชิงไปหมดเนี่ยนะไม่รู้ว่านักศึกษาจะมีศรัทธาเรียนหรือว่าจะเลิกเรียนก็ไม่แน่ใจว่างั้นนั่นนะก็ั่นนะคือมีแต่เราไม่คนเองไม่ปว่าท่านไม่ดีเลยนะไม่มีไม่มาพจิกิชามันตรงกันข้ามกับที่โมกเลย โทสะมีะที่ไหนมีฉันท่าที่นั่นเมียทิโม ก, กมใช่พิจิตกกชากับอุทะจารพวกนี้ไม่มีธิโมกก็ร่วมเ อ, อ, อ่อเพิ่มต่ออีกนิดหนึ่งนะให้จบว่าอันหนึ่งจิตทั้งสองนี้เว้นจากความกําหนัดและความขัดเคืองนะโมหะเนี่ยอันนี้โลภก็ไม่โลภโกรธก็ไม่โกรธแต่ว่างโง่ แม่ในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะคือกำหนดก็ไม่กำหนัดคือชอบก็ไม่ชอบชังก็ไม่ชังเพราะความเป็นจิตหลงงมงายโง่อ ย, อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นโดยเว้นมูลอื่นคือจิตเนี่ยมันไม่มีโทสะมาเป็นมูลให้ไม่มีโลภามาเป็นมูลให้พระะนันเขานี่มีมูลอยู่มูลอันเดียวคือโมหะเป็นมูลเนี่ยนะไหนเจว่ า, น า, า, น า, าคนละเรื่องและเปลี่ยนเรื่องลอะ คือในในจิตเนี่ยมันไม่มีมูไม่มีโทสะมาเป็นมูลไม่มีโทโลภามาเป็นมูลน่ยนะแต่ก็เป็นจิตที่หวั่นไหวเพราะประกอบด้วยวิจิกิจฉาและอุทจจะอันเป็นไปด้วยอํานาจแห่งความกระสับกระส่ายและฟุ้งซ่านเนี่ยนะคือถ้าวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นจิตกระสับกระส่ายส่วนอุทจจานี้เป็นจิตฟุง้งซ่านนะสหรคตด้วยอุเบกขาเท่านั้นเป็นไปเพราะเหตุนั้นนั่นแล แม้เพราะความต่างการแห่งสังขารก็ไม่มีแก่จิตทั้งสองนั้นคือไม่มีว่าอาสังขาริษสังขาริกอะไรเพราะไม่มีความกล้าโดยภาวะของตนเพราะไม่มีผู้กระตุ้นเตือนคื อ, อโมหะเนี่ยนะมันมันไม่ได้จิตเป็นจิตแข็งแรงอะไรแต่ว่าไม่ต้องชวนเอาสิ น, นะคือความโง่นะมันมันมันไม่มีไม่ไม่มีกำลังอะไรมากหรอกในดวงนี่นะสองดวงนี่นะความโงม่มันมันมีแต่ว่ามันไม่มีกําลังอะไรแต่ว่าไม่ต้องให้ใครมาชวนด้วยนะความโง่เนี่ยมันเกิดข้างมันคนเดียวแต่ท่านก็สงเคราะห์ให้เป็นอสังขาริกไนะหมโนัยะสงเคราะห์ในที่นี้คาถาย่อความไว้ว่าจิตทั้งสองดวงเป็นเอกะเหตุกะคือมีเหตุเดียวนะมีโมหะเป็นเหตุอย่างเดียวทรงรคตด้วยอุเบกขา เพราะเป็นจิตงมงายและกระสับกระส่ายฟุง้งซ่านงมงายคือโมหะนะกระสับกระส่ายคือวิจิกิจฉาฟุ้งซ่านคืออุทาจาักระทั้งไม่แตกต่างกันโดยความแตกต่างกันทั้งในสังขารทุกเมื่อนะไม่ได้มีสังขารเกสังขาริกอสังขารเกอะไรหรอกจริงอยู่ภาวะแห่งจิตที่เข้มแข็งโดยภาวะของตนและที่ให้อุตสาหะไม่มีแก่จิตทั้งสองดวงนั้นซึ่งกระสับกระส่ายอยู่ ฟุ้งซ่านอยู่ในกาละทุกเมื่อวันวิจิกิจฉานี่ไม่ต้องอสังขณะที่มันเกิดนะไม่ต้องชักชวนขณะที่ฟุ้งซ่านเกิดเนี่ยไม่ต้องชักชวนหรือเป็นไม่ได้มีกําลังอะไรแต่ในขณะเดียวกันนะการชักชวนให้เกิดโลภะหรือโทสะชี้นําให้เกิดวิจิกิจฉาได้โดยอุปนิสัยเนีย่ยนะเช่นคนที่ระแวงอะไรบางอย่างโดยโดยโทสะเนี่ยนะหรือไม่ชอบใจนี่ก็ทําให้เกิดวิจิกิจฉาในตอนหลังได้ แต่นั้นคนละประเด็นกับที่กำลังกล่าวอันนั้นโดยอุปนิสัยปัจจัยที่มันไกลหน่อยแต่ว่าทั่วๆไปชักชวนก็คือแบบเอาแบบใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเหตุการณ์นั้นอ่ะเช่นอยู่ๆแล้วบางคนเนี่ยนึกโกรธขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นอ่ะนี่ก็เป็นอาสังขาริกใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยมีคนยั่วเรื่อยๆเื่อๆกระแทเรื่อยๆย้ยเรื่อยๆก็เลยโกรธขึ้นเนี่ยนะส่วนโลภะก็ลักษณะเดียวกันแต่โมหะนี่ไม่ต้องเนี่ยนะไม่ไม่ต้องว่าชักชวนหรือไม่ชักชวน แต่ถามว่าไอโมหะมูลจิตทั้งสองดวงนี้อาศัยโทสะก่อนก่อนเป็นอุปนิสัยให้สงสัยได้ไม่ได้อาศัยความโลภก่อให้เกิดความสงสัยได้ไม่ได้อันนั้นแต่โดยปัจจัยอื่นไม่ใช่สังขารในที่นี้ช่ไหสมควรแก่เวลาแล้วคุณเรามัน